ท่านผู้และ 20 กุมภาพันธ์ 1253 เกือบจะนึกวันที่ไม่ออกจะนึกวันที่ไม่ ik heb een tansiet. Ik heb een de en de een plusophargum die hij had. Ik heb De micro-campagne, don't have make-all. Ik De een micro-campagne, don't have make-all. De De De ว่ามีรายการที่ต้องทํามีมากสําหรับ เวลาประมาณเที่ยงวันใกล้จะถึง อันแต่ป้าคุณป้าคนหลานก็จับกลุ่มกันปัญหาที่คนหลานจะถามคุณ ที่วัดท่าสงฆ์ที่เวลานี้ท่านรักษาตําแหน่งผู้อํานวยการอยู่นึกชื่อ <c oughs> <c oughs> ในแพทย์ท่านก็เอาภาพเอ็กซเรย์คือ อาตมาแล้วตั้งใจการทําบุญประจํา <c oughs> การบำเพ็ญเรื่องการทำบุญประจำวันและธรรม มีผู้ใต้บังคับบัญชาพิเศษอยู่ 200 นั่นก็คือสุนัขต้องเลี้ยงสุนัขก็เลี้ยงกันดี <c oughs> อย่าจะกินท่านสุนัขมันจะอดมันอย่าจะกินไม่ได้กิน สนรรคที่มันตัวแม่ตัว 9 ปีที่ผ่านมา 200 กว่ามันขยาย 170 ตัวเสร็จแล้ว <c oughs> ก็พยายามเลี้ยงกันให้มันดีที่สุดเท่าที่ทุน ก็ทํากันอยู่ที่เรียกว่าถ้าเป็นชาวบ้าน มีคน 6 ปี 6 ปีบ้าง 8 ปีบ้างของอื่นมาร้อยๆก็บอกก็มีให้ของให้ของผ้าหนังสืออันหนังสือนั่นคืออุปกรณ์การจริงๆท่านๆใน เห็นว่าทั้งคนทั้งจริงๆประมาณ 500 เศษ 500 เศษนี้จะเป็นทรัพย์สินที่ ส่วนๆก็จ่ายจากเงินที่บรรดาญาติโยมผู้อนุเคราะห์ถวายเป็นส่วนตัวเงินที่ถวายเป็นส่วน เงินยอดนี้จะต้องจัดจดเลขไว้ยอดนี้จะต้องจัดจดเลขไว้ ค่าบริจาคผลก็เอาเงินที่บรรดา 2532 ได้รับ 321,856 บาท แล้วก็เงินอีกส่วนหนึ่งจะจะใช้ได้ ก็บอกดีธรรมยานี้ก็ปรากฏว่าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่เป็นเจ้าของเงินทั้งหมดได้บุญร่วมกันการ ถ้าอคันธกะอีกกี่อง <c oughs> 89 องค์ถ้า 89 องค์นี่ท่านก็มีส่วนที่จะ ท่านบวชตั้งใจการเลี้ยงอาหารท่านเองขึ้นมาตั้งทุนไว้ก็เริ่มตั้งทุนยังไม่ได้ใช้ทุนญาติโยมช่วยก็เป็นว่าเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินค่าเอ็กซเรย์มีจะพูดเรื่อยไปแล้ว <c oughs> แต่จะบอกให้ 63 บาท มันต่างกันละคูณเป็นซื้อเครื่องก็ 342,755 บาทซื้อ ถ้าไม่หมดก็สมทบ 89 องค์ไม่ใช่ไบหวยเนาะ เอาไว้ใช้ในโรงจบานเพราะรัฐบาลอาตมาสร้างเครื่องทุกอย่างที่ใช้อยู่เกิดจะเป็นของวัดในการเริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นสร้างนี่แล้วรัฐบาลมอบให้รัฐบาลนี่รัฐบาลมาคืออะไรต่อตอนเยอะแยะเครื่องทําฟงทําฟันทําฟันกับ เตียงนอนก็ต้องซื้อตึกนึง 40 เตียงเสร็จมันก็ไม่น้อยเหมือนกันอ้าวไพรเวทก็เนี่ยมัน คุณป้าน้อก็บอกว่า แล้วก็ใจพิจารณาถ้าเสลได้ถ่ายภาพติด เขาสามารถบอกเด็ก แล้วก็แล้วภาษาถามว่านี่เราคุยกันถึงเครื่องทั้งนี้อยากจะทราบ Tha, maar je poppen, wat je aankomt, wat je aankomt, wat je aankomt, wat je aankomt, wat je aankomt, wat ป้าหาทางเลี่ยงหาทางเลี้ยงป้าก็บอก<อ> แม่ท่านใจดีไปถึงแม่ท่านกอดถึงกอรัตน์ถึงกอสงเคราะห์หนูจะค่อยๆไปเลาะถามแม่ท่านถ้าแม่ท่านพูดตรงๆกับป้าก็แสดง จุไลก็บอกว่าก็เลยบอกจุไลก็บอกว่าเนี่ยจะ ท่านยกตัวอย่างเช่นพระอนุรุทธที่ถวายทุเอ่อถวายคงไฟในพระพุทธศาสนาเกิดมาชาติ อานิสงส์ก็คือว่าคล้ายๆกับพระอนุรุทธ 1 kan dat dan je kunt hebben? Ja, wel dat je hier niet kan, maar ik heb het niet kan, maar ik heb het niet kan, ik heb het niet kan, maar ik heb het niet maar ik heb het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 ใครไข้เจ็บขึ้นจากร่างกายของตัวเองจะมีทั้งๆที่ยังไม่พบหมอแต่ก็มีความเข้าใจในยาถ้าเรื่องยา แล้วก็การต่อไปที่มีความสําคัญที่สุดมีอารมณ์มีทิพคุญญานในกายกายคตานุสติเป็นกรรมฐานใหญ่กายคตานุสตินี่เป็นกรรมฐานพิจารณาร่างกายมีความรู้สึกว่าร่างกาย <c oughs> อย่างตัดตายไส้ปอดมันทํางานตลอดทั้งวันทั้งคืนมันไม่มีเวลาหยุดมันก็ แล้วก็มีการอ่อนตัวต้องปรนเปรยด้วยอาหารทุกวันถ้าขาดอาหารเมื่อไหร่ร่างกายก็ตายหมดนั้นแล้วต่อไปก็ <c oughs> de maar de dag, maar ik ga niet naar de maar ik ga niet naar de dag, maar ik ga niet naar de dag, maar ik ga niet de dag, maar niet naar de dag, maar ik ga ik ga niet naar de de dag, maar de dag, maar ik ga Bijna, ik heb een paar nusseguraten, ik heb een paar nusseguraten, ik heb nog een paar nusseguraten, ik heb nog een paar nusseguraten, ik heb een paar nusseguraten, ik heb een paar ik heb een paar nusseguraten, ik heb een paar nusseguraten, ik heb een ik heb een ik heb een ik heb een ik heb een ik heb een ik heb een ik heb เนี่ยเมื่อทราบอย่างนี้แล้วกำลังใจก็จะเกิดความเบื่อหน่อยในร่างกายไม่มีการต้องการร่างกายร่างกายจะแก่ก็เฉยมีความเข้าใจว่าธรรมดาของมันต้องแก่ร่างกายมันจะป่วยก็เฉย <c oughs> ที่จะเข้าใจว่าเรื่องธรรมดาได้ก็เพราะว่าอํานาจการสร้างของเอ็กซเรย์ทุกคน <c oughs> 200 ปีจะตาย 50 ปีจะตายก็ เราจะก็จะก่อร่างกายอยู่ที่สวรรค์ผู้หญิงก็เป็นนางฟ้า ik heb een paar maanden in de rij gekocht. een paar maanden in de rij gekocht. Ik heb een paar maanden in de rij gekocht. een paar maanden in de rij gekocht. een สเลก็คือคือเครื่องดูภังค์ข้างล่างกับข้างล่างกายนี่คนที่จะไปนิพพานได้ก็ต้องเก่งในกายคตานุปัสสติคือมีความเข้าใจในกายคตานุปัสสติคือมี wanneer ik heb ik hem: "Wanneer is het tijd om te beginnen met het bouwen van scholen?" Hij zei: "Het is Hij zei: "Het is Hij zei: "Het is Hij เขาว่าถวายว่าตามอริยอาศัยเนี่ยหมายความว่าจะทําบุญประเภทไหนก็ได้เอาว่าก่อนแต่ถ้า เวลานี้ยังไม่แน่นอนว่าคุณนิรัตน์เล่าหาสุรยโชติน เวลาที่หลวงปู่ท่านมาคุมเจริญกรรมฐานเวลานั้นท่านต้องทําจิตไปสมาธิคุมเราเขาเรียกกันว่าเข้าสมาบัติถ้าหนู เขาถือว่าผู้ให้ถ้าผู้ให้บริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์เงินเงินที่หนูได้มาก็คุณ wat doet Tán Borisot? Tán Alavanda Lak. Met u Lajlan, Lakvila, Nimangu Vila, Rikun, Rikun, Rikun, Rikun, Rikun, Rikun, Rikun,